จะทำยังไงจึงจะไม่ให้เป็นภาระของคนอื่นจะทํำยังไงจึงจะให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมต่อประเทศชาติท้าววัดตัวเองตั้งตัวดีแล้วมองดูตัวเองปัจจุบันดีทุกสิ่งทุกอย่างผู้เกี่ยวข้องพวกเกียกเก่ยวข้องมันก็ดีไปหมด ถ้าหากว่าตัวเองทำตัวไม่ดีประสบบัตรเหตุแต่ใครๆก็ไม่พึงปราถนาหรอกแต่ถ้ามันสุดวิสัยทามันสุดวิสัยอีกอย่างหนึ่งก็ว่ามันสุดวิสัยแต่ถ้ามันไม่สุดวิสัยคืออะไรคือหาเรื่องเสพยาเสพติดของมึนเมาเข้ามาเนะ่ขาดสติอันนั้นแหะหน้าตำหนิเพราะเหตุอะไร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 กินผ ล, ลไม้ป่าอยู่ในป่าหิมพาลอย่างนั้นก็อยู่แบบอไม่ได้ทําไร่ทํานาหาอยู่หากินตามมีตามเกิดจากนั้นคนเนี่ยมาบําเพ็ญต่างคนต่างอยู่ต่างคนก็ต่างไปเมื่อตายไปแล้วก็นนะ่ะไปสู่สวรรค์ชั้นพรมของใครของเราอันนี้นก็คือชีวิตของนักพรตนักนักพรตนักบวชอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในพหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วพระเนี่ยท่านสอนให้มักน้อยสันโดษมากๆเลยนะบินดิบิิยาโลปโภชนังนิสัยยปปัชชาตัทธเตยวชีวังอุตสาหโหครณโิโยอติเลกลาโพดเมื่อเจ้าบวชเข้ามาแล้วเจ้าต้องบินทบาทอาศัยลำแข่งอาศัยแข่ง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 ในจิตใจของพวกเราน่จะทำยังไงจึงจะหาทางพ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารจุดใจของพุทธะนันคืออะไรจุดใหญ่ของพุทธะนันคืออะไ ร, จ, ออะไรจุดที่พระพุทธเจ้าต้องการนั้นคืออะไรพวกเราต้องดูจุดจุดนั้นนะจุดที่พระพุทธเจ้าชี้นำบอกทางให้พวกเราเดินก็คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้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 แล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะศึกษาไปเรื่อยๆต่อไปบุญบารมีของพวกเราแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆพวกเราก็จะมองเห็นแต่ถ้าว่ากิเลสยังมีอยู่ราคะโทสะโมหะโมหะยังมากๆอยู่มันก็นมันลมมันตุ่มดึงใช้ดึงขวาจนตลอดเวลาแต่ขนาดพระพุทธเจ้าจะได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัสมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนวันนั้นก็ยังได้สู้กับพญามาร